ใครมาก่อนทีมไหนมาก่อนจอย เ, ออเป็นไงจอยคื อ, เ, อเมื่อคือนอะคะ่ะจะนอนไม่หลับใช่ไหมะแล้วก็รู้สึกมันฟุง้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็เลยอ่านหนังสือหลวงพ่อพออ่านไปมันก็สงบพอสงบเธอก็เลยตามดูไปคราวนี้มันตามดูมันก็ละเอียดขึ้นหาแล้วมันก็ตามเหมือนแบบรถมันวิ่งเร็วะแล้วเธอก็ตามเร็วมันก็เหนื่อยพับหนึ่งแล้วก็กลับมาอ่าน มันก็สงบแล้วก็ทําอย่างเงี้ยค่ะแต่อช่วงที่มันเหนื่อยค่ะหลวงพ่ออย่างนี้มันถูกอะค่ะเวลาเวลาที่ตามันไปมันเหมือนกับมันเร็วแล้วเราก็ไล่ตามมันเราอย่าไปไล่ทีละตัวถ้าเราไล่มีรถหลายคันเรามองกีฬะคันนะจะเหนื่อยเราต้องยืนอยู่ที่สูงๆแล้วดูเห็นรถในมวลรวมมันภาพรวมเพราะงั้นเวลาที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้วฟุ้งซ่าน มองแบบภาพรวมเหมือนเรามองจากที่สูง แ, แสดงว่าจะลงหรือเกินไปใช่ไ<อ>หมคะต้องถ<ป>อนขึ้นมาตามตามไปดูใกล้ไปดูห่างๆเออมือเราต้องอยู่บนภูเขาทองอะไรเงี้ยดูลงมารุ่นหลวเพ่อภูเขาทองสูงนะเดี๋ย <laughs> นี้อาจจะต้องไปขึ้นตึกอะไรดูลงมาแล้วก็ช่วงว่าเช้าเองก็รู้สึกว่ามันกลัวความปิดมันกลัวความบังคับไม่ได้เพราะมันเริ่มรู้สึกว่า จิตมันบังคับไม่ได้จริงๆแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าธรรมดาใจเหมือนคุ้นเคยว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแ้ามันเริ่มเห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้มันชักกลัวให้รู้ไปกลัวก็ร้ว่กลัวกายจะกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งความกลัวหนึ่งโูล่านก็พูดดูไปเรื่อยๆอย่าเจ้าค่ะ ก็เห็นสติเกิดเองบ้างไปจงใจตามรู้บ้างแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันเหมือนกับทุกๆสภาวะมันเหมือนมันมีแรงบิดที่จิตอย่างเงี้ยจ้าค่ะแม้กระทั่งความสุขมันก็เหมือนจิตมันถูกบิดถูกบิดอย่างเงี้ย่หมมันเค้นของมันทั้งวันทั้งคืนนะมันผิดสองต่ออันแรกคือมันไปหยิบขึ้นมาก่อนมันหยิบช่วยจิตอันนี้ก็คือการที่จิตเรายึดถือขันนั่นเอง ยึดถือจิตยึดถือขันพอยึดถือขึ้นมาแล้วไม่ถือเฉยๆนะทันทีที่ความอยากใดๆเกิดขึ้นมันจะบิดมันจะขยําไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆมันจะเกิดทุกข์อันที่สองนั่นแหละทุกข์เพราะแรงเค้นทุกข์เพราะการกระทําของใจนึกว่าทุกข์เพราะพบพบคือการกระทําทางใจรากของมันมีตัณหาอยากอย่างงน้นอยากอย่างนี้พอไปหยิบมาก็คิดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเรา อยากให้มีความสุขอยากให้มันดีแนละ้วก็บิดเลยทั้งบิดทั้งเค้นกราบใดที่ยังหยิบเวยอยู่ก็จะบิดบิดเค้นเค้นไปเรื่อยต้องเข้าถึงทำสามครั้งก็จะหยิบขึ้นมาเอามาดูนิดนิดหน่อยหน่อยไม่บิดไม่เค้นนะเอามาหยิบหยิบยังวางเดี๋ยวก็หยิบอีกถ้าเข้าถึงทำสักครั้งที่สี่แล้วก็จะทิ้งไม่หยิบมาอีกตรงนี้เข้าใจมั้เห็นไหมเห็นตรงที่จิตไปหยิบมาไหม หยิบมาแล้วมาเข็นงั้นเราภาวนาถึงขีดสุดเนี่ยจะวางลงไปมันจะสลัดคืนไม่ไปหยิบมาหยีก็ไม่มีการเข็นงั้นความเครียดในใจจะมีไม่ได้เลยไม่เกิดความเครียดขึ้นไม่จะเกิดแต่ความทุกข์ของาธาตุของขันาธาตุขันก็ทำงานของมันตามปกตินั่นแหละไม่ใช่ว่าผิดมนุษย์มนาอะไรนะาธาตุขันก็ทำงานอย่างปกติ แต่ใจเนี่ยไม่ไปหยิบฉวยไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาสิ่งที่หยิบฉวยก็คือจิตนั่นแหละจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาสังเกตไหมมันไม่ได้ไปหยิบฉวยกายใชนะ่มันหยิบฉวยจิตพอหยิบฉวยจิตแล้วก็มาเค้น <c oughs> เค้นเค้ น, คนก็ทุกข์พอรู้ทันตัณหาตัดต้นถางมันก็ไม่เค้นห <c oughs> ยิบเฉยเฉยแต่ไม่เค้นถ้าเผลอเราเค้นอีก งั้นบันไดาสามารถวางความยึดถือจิตลงไปแล้วนะนะั่นแหละถึงจะหมดภาระหมดความทุกข์ละก็เหลือแต่ความทุกข์ของขันล้วนเลยตอนนี้การปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราชอบไปวาดภาพให้มันเกินจริงแค่เรามีสติเรารู้ทันการทํางานของกายของใจโดยเฉพาะของใจใกายมันเคลื่อนไปได้ก็เข้าใจมันสั่งแล้วละ รู้ทันเข้ามาถึงคิดถึงใจนะถึงต้นต่อของมันแล้ววางตัวต้นต่อไปได้ก็สบายส่วนมากเราชอบไปแก้อาการแก้ปรากฏการ์ซึ่งบังคับไม่ได้คล้ายๆเคยเห็นเขาฉายหนังกลางแปลงไหมเดี๋ยวนี้ยังมีมั้งไหมหนังตามงานวัดใครเคยเห็นไหมทาไมต้องหนังงานวัดมันเห็นเครื่องฉายมันมีเครื่องฉายตั้งอยู่จออยู่โน่น คนทั้งหลายนะไปหลงภาพในจอทวนเข้ามาไม่ถึงต้นต่อของมันไปเห็นตัวนางเอกในหนังเนี่ไปไล่กว้ากว้างเงานี่ยแหละขันมันก็เหมือนภาพรวงตาไมขันนะเหมือนภาพดวงตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราพบเราเห็นนี่ก็แค่ภาพลวงตาเหมือนภาพในจอหนังนั่นเองจริงๆเราบังคับมันไม่ได้งนั้นเราจะไปไล่ตะครุบไล่จับไล่ควบคุม ขัดนะทำไม่ได้เหมือนไล่ตะคุบภาพในจอหนังทําไม่ได้ถ้าทวนกระแสเข้ามาถึงตัวต้นตอของมันคือจิตนั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นปลุงเอาไปจากจิตเองถ้าเราแค่เอามือปิดเครื่องฉายหนังซะไม่ให้ทํางานต่อภาพในจอทั้งหมดก็ว่างเปล่าตามสภาพเดิมของมันนั้นการปฏิบัติไม่ใช่นั่งแก้อาการทีละอาการ การปฏิบัติถ้าจะให้ได้ผลรวบรัดนะเรียนรู้เข้ามาให้ถึงต้นต่อของความปรุงแต่งถ้ารู้เข้ามาถึงต้นต่อของความปรุงแต่งมันอยู่ที่จิตนั่นเองจิตมันปรุงแต่งถ้ารู้ถึงความปรุงแต่งจนความปรุงแต่งขาดไปนะไม่ต้องไปตามแก้อากาศอีกแล้วคนทั้งหลายได้แต่แค่พยายามแก้อากาศพยายามทําได้แค่นั่นเองเพราะสติปัญญาไม่แก่รอบ ไม่รู้ว่าวิธีจัดการกับความทุกข์ที่จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคือทวนกระแสเข้ามามาเรียนรู้ที่ต้นตอของมันจนเราเห็นเลยกระทั่งจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะคือให้ธรรมชาติไปเหมือนโยนเครื่องฉายหนังทิ้งไปด้วยใครก็เอามาฉายอีกไม่ได้ละแต่สติปัญญาของคนในโลกมันทำได้แค่แตะครุบภาพในจอหนังเอิอรูปภาพในจอมันยืนอยู่นิ่ง บางทีมันยืนคุยกันนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวไปจับไ้นึกว่าจับได้แล้วหยุดได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกนี่ก็วิง่งไล่จับอีกโง่นะศา ส, สนาพุทธเราเรียนย้อนเข้ามาหาต้นต่อของมันต้นต่อของความปรุงแต่งอยู่ที่จิตนองวันนึงรู้ทันต้นต่อของมันนะค่อยๆเอามือไปปิ ด, ปด้ตรงที่มันใช้ไฟออกมาภาพในจอหนังก็หายไปไม่หลงออกไปข้างนอกละ สุดท้ายนะต้องโยนเครื่องฉายหนังลงน้ําไปสุดท้ายก็คือเร า, เรายโยนจิตทิ้งไปนะั่นเงสลัดทิ้งอนะไรก็จะฉายอีกไม่ได้เนี่ยเราเอามือปิดไว้นะพอหมดแรงปิดมันก็ฉายอีกพวกที่เดินชานไม่หลงไปกับความปรุงแต่งทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่เครื่องฉายหนังยังเดินอยู่ยงแต่ไม่ทํางานออกไปสู่กรรมมาพบตาหูจมูกลิ้นกาย ปิดอยู่หมดแรงปิดเมื่อไหร่นะหรือหลุดมือเมื่อไหร่มันฉายออกอีกแล้วพวกพลมสัมรวมจิตเข้ามานะสัมรวมจิตเข้ามาแต่ว่าจิตก็ยังปรุงแต่งอยู่ในหลังยังฉายอยู่แต่ว่ามันไปที่จอไม่ได้ตอา น, นั้นเองรูปมันไปไม่ถึงจอเพรน้นภาวนานะเป็นขั้นเป็นตอนคนทั้งหลายมันไล่จับเงาไล่ในกามนั่นเองรู้สึกสนุกสนานอริสอร่อยสวยงามใช่ไหม รูปในจอหนังสวยกว่าตัวเครื่องฉายหนังใช่ไหมยังไม่ใช่ของจริงกามก็เป็นอย่างนั้นเลยสวยงามล่อลวงให้วิ่งไล่จับเหมือนเมือนจะได้แต่ไม่เคยได้ไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มหรอกนี่สำรวมจิตสำรวมใจเข้ามานะไม่ออกไปภายนอกสงบอยู่ภายในอันนี้ก็ได้ความสงบได้ความสุขได้แก้ปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราว เหมือนการทําสมถะถ้ามาเรียนรู้จะเราทําลายเครื่องฉายไปนะคือเราสามารถปล่อยวางขันห้าได้ขันห้าตัวสุดท้ายที่จะวางคือจิตนั่นเองปรับใดที่ยังปล่อยวางจิตไม่ได้นะก็จะเกิดขันห้าใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะจิตดวงเดียวนี่แหละสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่ได้ทั้งขันห้าจิตดวงเดียวนี้นะ่ะเหมือนมเมล็ดพันธุ์ เดี๋ยวไปงอกเป็นต้นไม้ใหญ่ๆออกลูกออกหลานได้อีกเยอะแยะนั้นเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจวันหนึ่งทำลายมเมล็ดพันธุ์คือเอาวิชาลงไปทำลายเชื้อพันธุ์ของมันเป็นมเมล็ดที่ไม่งอกอีกเลยมันก็ยังทรงรูปของมเมล็ดที่ไม่งอกไปอีกช่วงหนึ่งต่อไปก็แตกสลายหายไปในการปฏิบัติมีความสุขอยู่ข้างหน้ามากมายละมัวแต่ตะครุบเงานะอย่าลงนะเสียเวลาไม่ฉลาดเลย ความสุขที่เป็นภาพดวงตาพระเจ้าขันเหมือนเป็นภาพดวงตาเหมือนพยับแดดพยับแดดอย่างเราขับรถไปก็มองเห็นไกลๆเลยเห็นเหมือนเป็นน้ำมั่งเห็นเหมือนไอ้น้ําเต้นยิบยับยิบยับเ้าใก ล, ๆล้ๆเราหายไปหมดความสุขก็ล่อเราอย่างนั้นนะให้วิ่งไปพอเข้าไปใกล้ๆลนะก็หายไปละไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้ว เราก็วนเวียนนะน่าสงสารมากถ้ายังวนเวียนอยู่ก็ยังไม่รู้สึกน่าสงสารหรอกจะรู้สึกว่าบางครั้งก็อเรเด็ดอร่อยสนุกบางครั้งก็เศร้าโศกบางครั้งก็ทุกเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเวียนอยู่งั้นก็ยังพอทวนรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไม่ใช่เราทุกคนเดียวใครๆเาก็เป็นอย่างนี้เหมือนๆกันหมดทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่จะพ้นไปจาก วังวนของความปรุงแต่งอันนี้ค่อยๆเรียนเข้ามานะเข้ามาหาจิตหาใจตัวเองไม่หลงปรุงแต่งออกไปภายนอกเรา่วันหนึง่งหมดความปรุงแต่งสิ้นเชิงมันจะหมดความปรุงแต่งสิ้นเชิงเมื่อมันปล่อยวางความยึดถือจิตได้ท่านหลวงปู่ดูลถึงสอนบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคครับสอนนี้สูงมากนะไม่ใช่ คนรุ่นหลังๆบางนคนเอาไปเล่นเฟือไม่แต่งไอ้นอนท์เป็นมรรคไอ้นี่เป็นทุกข์ไอ้นี่เป็นนิโรจนะแต่งกันเฝือเยอะแยะทำลายหลักธรรมแท้ๆลงไปความขนองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนี่ท่านเล็งเห็นไปถึงอรหัตมรรคนะงั้นถ้าเมื่อไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางจิตได้นั่นแหละจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริง อนี้เห็นคนไปแต่งนังสือนะไอ้นอนเ์มดูข่าวนักการเมืองเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าอยากจะดูเป็นสมุทไทยโอ้ไปกันใหญ่นะทำลายธรรมะแท้ๆลงไปงั้นเรียนเข้ามานะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจคนเคยถามหลวงปู่ดูลว่าจะปฏิบัติสั้นๆทำไงใหามักไม่ส่งเขียบนอกอย่าไปจับเงาในเครื่องฉายหนัง ล้วก็มาดูจิตท่าให้ดูจิตจะดูจิตดูใจวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อนะสต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับท่าน7เดือนท่านก็ชมละพึ่งตัวเองได้ละไม่ต้องมาหาท่านแล้วก็ได้ไปได้ด้วยตัวเองใช่เนี่ยแต่เราก็ไปนะรักท่านเรารบท่านถึงเวลาก็ไปหา 3, มเดือนสี่เดือ น, เ, อนเก็บสตังไว้นะเก็บบรรลาไว้เป็นข้าราชการเงินก็น้อยนะ เวลาก็น้อยเก็บๆไว้นะไม่เคยไปที่หรอกไปแต่วัดสามเดือนสี่เดือนได้ไปผลหนึ่งส่งกันบ้านหลวงปู่สอนผมไปอย่างนี้ผมทําอย่างนี้มีผลอย่างนี้จะทํำยังไงอีกถูกหรือผิดถ้าผิดให้หลวงปู่ช่วยบอกด้วยถ้าถูกทํายังไงจะดีกว่านี้อีกแค่รู้ไปถูกแล้วไม่ต้องทําอะไรให้รู้รูปเดียว เราภาวนานะดูเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วมันจะเหมือนผลไม้ที่รอเวลาสุกเขาสุกงอมหอมหวานของเขาเองไปเร่งรัดก็ไม่ได้นะไม่เอามาบ่มอะไรนี้ก็ไม่ได้ดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจง่ายที่สุดเลยหัดใหม่ๆเรายังดูจิตไม่ได้หรอกเราไม่เห็นจิตหรอกหัดใหม่ๆเราเห็นแต่อาการของจิตหรือเห็นจิตตสังขารคือสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมา เช่นเราเห็นความสุขความทุกข์เห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาเห็นได้แค่นี้เไม่ได้เห็นจิตหรอกนี่เราเฝ้ารู้ความปรุงแต่งเหล่านี้ของจิตนะรู้กิริยาอาการของเขาจะเรารู้ว่าจริงๆจิตเป็นยังไงอาการของจิตหรือความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งถ้าเรียนรู้ไปจิตนะพ้นจากความปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งนะ แล้วมันก็เข้าไปติดในสิ่งที่มันปรุงแต่งมันเหมือนแมงมุมโง่ๆตัวหนึ่งชักใหญ่ขึ้นมาแล้วไปติดใหญ่ตัวเองมันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแมงมุมโง่อย่างเนี้ยนะแต่ว่าหลวงพ่อเห็นเต็มห้องนี้เลยนะ <c oughs> แมงมุมตัวจริงมันจะติดหรือเปล่าไม่รู้นะแมงมุมในห้องนี้มันก็ติดใหญ่ของตัวเองในะครรู้นะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตใจไปวันหนึ่งก็พ้นแล้วไงอีก ก็เหมือนเป็นกลางกับกิเลสมากขึ้นนะเจ้าค่ะใช่แล้วต้องเป็นกลางกับกุศลด้วยไม่เฉพาะเป็นกลางกับกิเลสงั้นสุขทุกข์ดีชั่วจิตเป็นกลางทั้งหมดเลยถ้าจิตเป็นกลางจิตไม่ดิ้นจิตไม่ปรุงแต่งเห็นไหมถึงจุดหนึ่งจิตจะพ้นความปรุงแต่งงั้นให้เรารู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆทีแรกรู้แล้วก็หวั่นไหวยินดียินร้าย ต่มาเราก็รู้ทันจิตที่หวันไหวยินดียินร้ายอีกชั้นหนึ่งรู้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งทีแรกมันรู้สภาวธรรมทั้งหลายแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันลงไปพอจิตหมดจากความยินดียินร้ายไม่ใช่ไปเพ่งให้หมดนะให้รู้เฉยๆมันจะดับไปเองความยินดียินร้ายมันเกิดจากการที่เราไปคิดให้ค่าว่าไอ้นี่ดีอันี้ไม่ดีมันเลยยินดียินร้ายขึ้นมา เราไปรู้ความดียินร้ายโดยเราไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้ให้ค่าอะไรเพิ่มนะความดีร้ายจะดับไปโดยอัตโนมัติเถ้าไม่มีต้นเหตุคือเราไม่ได้คิดปลงไปความมีดีร้ายก็ดับใจเป็นกลางเราจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเสมอภาคกันเกิดแล้วดับไม่ใช่เป็นกลางกับกิเลสอย่างเดียวเป็นกลางกับกุศลด้วยใจเราเป็นกลางใจจะไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจจะเข้าถึงธรรม ใจที่อย่างดิ้นนะใจมันหิวมันก็ดิ้นไปเรื่อยจิตใจมันมันดื้อด้านมันมีความหิวขึ้นมามันก็ดิ้นนะเราเอาอาหารไปให้มันกินคือเราตอบสนองกิเลสมันยิ่งได้เรียวแรงขึ้นอีกมันแข็งแรงขึ้นมันก็ยิ่งดิ้นแรงกว่าเก่าดิ้นเท่าเก่ายังไม่มีปัญญาสู้เลยเราสนองมันเข้าไปมันแรงมันมากกว่าเก่าอย่างคน เคยทำชั่วนะจะทำชั่วได้เร็วกว่าเก่าเนี่ยคนแต่เดิมไม่เคยโกหกเวลาจะโกหกทีหนึ่งใจสั่นนิดๆมือเท้าเย็นหน้าแดงแล้วโกหกบ่อยๆเฉยๆนะเฉยๆพูดไปเรื่อย ๆ, ยๆเฉยๆเราชินงั้กิเลสจะยิ่งมีกำลังกล้าขึ้นกล้าขึ้นงั้นอย่าไปให้อาหารมันตัดอาหารมันเสียตัดอาหารมันมันมีศีลให้ดีๆ รักษาศีลไว้ให้ดีไม่ตับสนองกิเลสแล้วก็ใครตามรู้คอตามดูเรียนรู้มันไปเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจและกิเลสก็ส่วนกิเลสสิจิตก็ส่วนจิตสิโคลาอนกันกิเลสก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแมงมุมฉากใหญ่ขึ้นมาแล้วกิเลสนั่นแหละกลับมาครอบงําจิตแมงมุมไปติดใหญ่ตายแล้วจิตม่นแหไปปรุงขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมานะแล้วกิเลสก็กลับมามีอิทธิพลครอบงําจิต ต่อไปกิเลสก็มีกำลังกล้ามากขึ้นมากขึ้นคราวนี้บงการจิตได้ทั้งวันแนละ้วนั้นสู้กับกิเลสถอยไม่ได้นะต้องสู้ตายนะสู้กันด้วยถึงเลือดถึงเนื้อเลยถ้าอ่อนแอทอดแท้ถดถอยไม่ไรยนะถอยไกลนะถอยไกลไม่ใช่ถอยที1นึงเ้้นะถอยกันเป็นชาติชาตินะถ้าอย่างในคำพีก็จะถอยกล้งละ500ชาติ 5้ารอยชาติที่ถอยนานมากเลยอย่างพ่านนนสมัยก่อนจะเป็นพ่านนนไปทำบุญมาแล้วขอให้มีรูปงามขอให้หล่ออีกชาติหนึ่งเกิดมาหล่อเฟี้ยวเลยอันนี้ก็ไปทำผิดศีลประพฤติผิดในกรรมท่านบอกท่านตายจากชาตินั้นท่านเบียนอยู่ในนรกเนิ่นนาน นี่มีความสุขช่วครั้งชั่วคราวแล้วท่านไปเบียนอยู่ในนรกนานค้นจากนารกขึ้นมานะท่านมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นวัวบุญที่ทําความดีไว้นะแล้วก็อธิษฐานไว้ก็ส่งผลให้เป็นวัวรูปหลอ่อ <c oughs> เป็นวัวสุดหล่อนะถ้าเข้าประกวดที่ไใดต้องชนะนะสมัยโบราณก็คงไม่ประกวดกันนี่เวลา เจ้าของเทียมเกวียนไปไหนมาไหนหัวสาวๆอะไชอบมาวิ่งตามเจ้าของลำคาญนะ่นเลยจับตอนไปอีกนี่ท่านบอกท่านถูกตอนอยู่5 0าชาติ500ชาติหมายถึงถูกตอนแล้วตอนอีกอยู่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเสร็จแล้วมาเกิดเป็นคนนะเป็นคนที่ไม่สมประกอบผิดปกติทางเพศท่านบอกเป็นอยู่อย่างนี้อีกนาน กว่าจะสมประกอบคืนขึ้นมาได้ดูสิทำผิดชั่ววูบเท่านั้นนะเวียนอยู่นับเวลานี้นับไม่ถูกเลยหรืออย่างบางคนโกรธเศรษฐีเศรษฐีเขาไปสร้างวัดอยากเอ็กแกล้งเศรษฐีคนนี้ไปเผาวัดเผากุฏิของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ะ จ, ะจะแก้แค้นเขานิดเดียวเท่านั้นนะไปเผาวัดไปเผากุฏิพระพุทธเจ้าจะให้เศรษฐีนั้นเจ็บใจเพราะเป็นคนสร้างวัด เศรษฐีนั่นใจถึงนะดีใจใหญ่โอ้ปลื้มจะได้สร้างอีกแล้วจะได้ถวายวัดกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งละเศรษฐีมันก็ได้ผลดีไปนะแต่นั้นเป็นเปลดอยู่ช้านานตลอดพุทธันดรช่วงที่เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าตกนรกอยู่นานนะแล้วก็ขึ้นมาเปรดเป็นเปลดอีกเป็นพุทธันดอนความผิดชัวว่ววบให้ผลยาวนะ เราอยาประมาทเราเดินอยู่บนขอบเหวแท้ๆเลยเหมืนเราไต่ลวดอยู่บนขอบเหวเลยไม่ใช่เดินอยู่บนพื้นเรียบๆนะเป็นไต่เชือกไต่อะไรอยู่พลาดครั้งไม่ได้นะต้องสู้นะมีคนหนึ่งเคยรู้จักกันพก็เคยพลาดพลัง้งเคยบวชเป็นพระเป็นพระแล้วก็ถือสีธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเพราะว่าสมัยโน้น ไม่มีการเรียนปริยัติหรือปฏิบัติอะไรเลยบวชกันตามประเพณีไปงั้นวันวันอยู่ไปเรื่อยๆนะตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นวัวไปใช้นี่ชาวบ้านเขานะแต่ว่าไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรนะเออเป็นลูกวัวชาวบ้านก็เอามาปล่อยไว้ในวัดมาถวายวัดอีกกลับมาอยู่วัดเก่านั่นแหละที่เคยเป็นพระนะประมาณไม่ได้เลยนะทางสารวัตเนี้ย พลาดแว บ, บเดียวนะไปยาวมากเลยเหมือนเราไต่ภูเขาอะเราพลาดตกเหวลงมานะไม่ใช่ง่ายที่จะขึ้นไปทุรักทุเลนะต้องเข้มแข็งนะสู้ไกกิเลสถอยไม่ได้แต่สู้ต้องมีสติปัญญาเหมือนเราไต่เขาต้องมีสติปัญญาไม่ไต่โง่โขึ้นไปนะตอนนี้เหนื่อยแล้วหยุดพักหาชะง่อนหินพักก่อนมีเรี่ยวมีแรงก็ไต่ใหม่แล้วภาวนาไปช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยแล้วทาสมถะ ทำความสงบสงบแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแนละ้วมาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยไม่ท้อถอยนะจะยากลำบากแค่ไหนก็ถอยไม่ได้นะเป็นโอกาสดีมากๆของพวกเราแล้วที่ได้เจอศาสนาพุทธนะถ้าระลึกชาติได้จะรู้เลยชาติใดที่ไม่รู้จกักศาสนาพุทธนะจิตใจจะวังเวงที่สุดเลยใช้คาว่าวังเวงนะมันรู้สึกอย่างนั้น ถามว่าจิตใจชั่วไหมไม่ชั่วเราเคยทำทานเคยถือศีลอเนียมันไม่ชั่วหรอกแต่มันไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาทำอะไรเกิดมาเพื่ออะไรทำยังไงเราจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่รู้เลยก็ทำตามประเพณีทำความดีอย่างโลกโลกไปตามตามกันไปเรื่อยๆนะเด็กๆก็เรียนหนังสือไปโตขึ้นมีลูกมีเมีย ม, ม, มีสามีม เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนั่นไปก็แก่ตายไปชาติาการที่ได้เจอได้เป็นมนุษย์เนี่ยยากกว่าจะได้เป็นมนุษย์ยากนะอย่างในวัดในวาเนี่ยมนุษย์น้อยนะอามนุษย์เยอะนะนกว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากเป็นมนุษย์แล้วกว่าจะได้เจอาศาสนาพุทธยากนะยากมากเจอแล้วกว่าเราจะมีศรัทธาที่จะเข้ามานั่งฟังธรรมนี่ยากมากเลยหลวงปู่เทศเคคุยให้หลวงพ่อฟัง บคนในโลกมีกี่พันล้านน่ะตอนนั้นบอกมี4ี่พันล้านเอยู่นี้เท่าไหร่ไม่รู้นะนิ่นนานแล้วมัมีสี่พันกว่าล้านครับเป็นชาวพุทธเท่าไหร่เหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวไม่กี่ร้อยล้านชาวพุทธแล้วที่ศึกษาธรรมะจริงๆที่เข้าวัดเข้าวามีน้อยอย่างเมืองไทยชาวพุทธร้อยคนที่สนใจเข้าวัดเข้าว่าศึกษาธรรมะมีน้อย ที่เข้ามาในวัดแล้วที่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆก็น้อยลงไปอีกนะแต่มากเข้ามาในวัดก็ไม่ได้มาศึกษาธรรมะมาหาหวยหาเบอร์หาอหานะไรหาโชคหาลาภหาความสบายใจกลุ้มใจขึ้นมาก็มานั่งเล่าความทุกข์ให้พระฟังนะแล้วก็สดชื่นกลับไปพระย่างอีกนะพระก็รับขยะมาเต็มเลยนะพระทุกแทนพระทุกพระเลยเป็นโรคกระเพาะเยอะเลยพระมีความทุกข์เพราะโยมเอาขยะมาใส่โยมสบายใจ นิหายมภาวนายากมียากคนเข้าวัดร้อยคนจะภาวนาสักคนสองคนก็ยากพวกเรล่านี้ถือว่าส่วนน้อยมากเล ย, นะยในเมืองไทยคนตั้งหลาย10บล้านสนใจศึกษาธรรมะจริงๆสักเท่าไหร่กันศึกษาตามแฟชั่นะเยอะถึงยุคนี้คนชอบปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติเป็นแฟชั่นซะเยอะยปฏิบัติที่มุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆไม่มากนี้ท่านยังบอกอีกนะคนที่ปฏิบัติร้อยคนนย จะเข้าถึงทำแท้แท้สักคนหนึ่งก็ยากเป็นงานที่ถอยไม่ได้นะต้องสู้ตายจริงๆเพราะเรามีโอกาสแล้วเราฝ่าด่านมาหลายด่านแล้วนะเราได้เป็นมนุษย์นะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีาศาสนาพุทธไม่ใช่เกิดในยุคที่มีาศาสนาพุทธอย่างเดียวเราเกิดในยุคที่แผ่นดินนี้มีาศาสนาพุทธให้เราศึกษาอยู่ยากหนักเขาอีกอย่างตอนนี้คนในเอธิโอเปียนะ ก็เกิดในยุคที่ยังมีาศาสนาพุทธแต่ไม่เคยสัมผัสเลยนี่ของเราได้สัมผัสเ่อเรามีศรัทธามีเลื่อมใสเราเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมะที่สืบทอดกันมาหน้าที่เหลืออันเดียวองลงมือทําลงมือปฏิบัติอย่าถอยนะอย่าทอนะ้ อ, าทอดแท้ดูทุกวันดูไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปเรื่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยง เขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์เขาบังคับได้หรือเขาบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อให้เที่ยงนะไม่ใช่เรียนเพื่อให้สุขไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้ขันห้าไม่เที่ยงยังไงก็ไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์ยังไงก็ต้องเป็นทุกข์ขันห้าเป็นอนัตตายังไงก็ต้องเป็นอนัตต์ขันห้าของหมาของแมวของปูทุชนหรือขันห้าของพระอรหันต์ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรต่างกันต่างกันแต่รูปลักษณ์ เนื้อแท้ก็เหมือนกันนั่นแหละบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่ฝึกจนบังคับขันห้าสำเร็จนะแต่คือคนที่เรียนรู้ขันห้าจนรู้ความจริงของมันแล้วปล่อยวางความยึดถือได้อย่างที่ชมพูเห็นชมพูไปยึดมากว้าขึ้นมาทุกวันต้องกว้ามากว้าแล้วก็ขยําขยี้มันอยู่อย่นถ้าวันใดแจ้งขึ้นมาสิ่งที่กว้าขึ้นมาแล้วนึกว่าของดีของวิเศษจิตใจนี้นึกว่าของดีของวิเศษ ปัญญาแจ่มแจ้งแทงตลอดนี่ตัวทุกข์นะตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อใดเห็นขันเป็นทุกข์เมื่อนั้นจะวางขันเมื่อใดยังเห็นขันว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจะไม่วางขันแต่จะดิ้นหาความสุขจะดิ้นหนีความทุกข์นั้นเราต้องเรียนรู้ขันนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ทุกวันจนวันหนึ่งปัญญาเห็นนี่มันทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เคยคิดออกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อแต่ก่อนฟังท่านเหมือนรู้เรื่องนะท่านบอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปบอกเมื่อไรเห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นธรรมสอนอย่างนี้นะฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมโอ้โหโลงภาวนาเห็นจิตเห็นใจเป็นทุกข์สินะมันน่าอัศจรรย์มันพ้นทุกข์ได้จริงๆมันเห็นธรรมมันเห็นธรรมที่พ้นจากทุกข์ เมื่อใดเห็นธรรมที่พ้นจากทุกนะมอนเหมือนโลกกระแทกสะเทือนเลยใจเรานี้สะเทือนมันสะเทือนออกมาจากใจนะั่นเองโลกไม่ได้กระเทือนออกมันกระเทือนจากใจเราเองความสุขอะไรมันจะท่วมท้นขึ้นมาได้ขนาด น, นั้นมีความสุขมหาศาลจนเหมือนาธาตุขันของมนุษย์จะทนอยู่ไม่ได้เหมือนจะแตกสลายเลยนั่นต้องภาวนานะถอยไม่ได้ถอยแล้วงโง่ ไม่ใช่โง่เฉยๆนะไม่ใช่โง่ห้าร้อยชาติ้ว้ยนะโง่นานโง่นานถอยทีหนึ่งถอยนานมีโอกาสแล้วต้องทำทิ้งโอกาสผ่านไปแล้วก็คือหมดโอกาสหลวงพ่อเขียนธรรมะไว้อันหนึ่งนานแล้วนะบอกพนทางยังมีอยู่ผู้เดินทางก็ยังไม่ขาดสายนะ่ให้ลงมือเดินทางซะตั้งแต่วันนี้นะ ก่อนที่เส้นทางนี้หรือร่องรอยรอยเท้าของท่านพวกนี้จะหายไปก็ถึงวันที่เส้นทางนี้หายไปนะจะระหุกระเหือนอีกนานเลยนานนะไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดมาจากความเข้าใจจริงๆเลยใครความจําดีๆจะรู้น่ากลัวสังสารวัตรนะความจําดีๆมหมจําข้ามพกคำชัด <laughs> น่ากลัว งั้นถ้ให้รู้กายให้รู้ใจตัวเองนะคยรู้กายคอยรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาไม่ใช่ไปแทรกแซงเขารู้กายอย่างที่เขาเป็นคือกายเป็นอะไรกายเป็นทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์รู้ลงไปที่กายกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดวัน เรายืมธาตุเหล่านี้มาจากพ่อแม่เป็นจุดตั้งต้นแล้วเราก็อาศัยธาตุของโลกหล่อเลี้ยงร่างกายนี้โตขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนธาตุนี้ให้โลกกาไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงของกายจะไม่หลงไหลได้ปลื่มหรอกนะพอรู้ความจริงของกายวางกายได้เนี่ยจะได้ค่านาขานะมันไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีอะไรละมันรู้ว่าก้อนดินก้อนธาตุ ไม่ใช่ของดีของวิเศษของสะอาดบริสุทธิ์อะไรถ้ามาเรียนรู้จิตจิตไม่ไม่เที่ยงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดจิตใจปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้สั่งให้สงบไม่ได้สั่งมันไม่ได้สักอย่างเดียวเลย มันจะดีหรือมันจะร้ายมันจะสุกหรือมันจะไม่สุกเลือกไม่ได้นี่เรียนตรงเห็นอย่างนี้นะมาหนึ่งวางรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกแรกๆที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยใจยังฝืนยังไม่อยากยอมรับความจริงเขายังรักกายรักใจมันจะรู้สึกกลัวนะจะรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกว้าเวิเมืองว้างตายแล้วตัวเราหายไปเมืองว้างเที่ยวไกว้คว้าใหญ่ตัวเราหายไปไหนแล้วเสียดายบางคนรู้สึกกลัว บางคนรู้สึกเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยโลกนี้ไร้สาระทั้งโลกเลยความสุขก็ไร้สาระนะความทุกข์ก็ไร้สาระรกุศลก็ไร้สาระเพราพึ่งพาได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปอ ก, กุศลก็ไร้สาระนะยิ่งไร้สาระหนะักเข้าไปอีกเพราะว่าเบียดเบียนบั่นทอนทาให้ความทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นในสุดใจจะเป็นกลางนะเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไร้สาระทุกสิ่งทุกชั่อย่างยึดถืออะไรไว้ไม่ได้เลย ของชั่วคราวทั้งหมดเลยใจมันจะเลิกดิน้นใจมันจะเลิกดิน้นทีแรกก็เวิ้งวางกลัวบ้างวังเวงบ้างเบื่อบ้างก็ค่อยทนดูไปจะเห็นเลยความเบือ่อความกลัวความวังเวงอะไรนี้มของชั่วคราวแ ป, ปรปลอมเข้ามาเหมือนกับอารมณ์ตัวอื่นๆนั่นเองมันกระเด็นออกไปจากใจนะใจก็จะตั้งมั่นขึ้เป็นกลางแลตอนะนี้เป็นกลางด้วยปัญญาไม่ดิ้นนะ ใจจะดิ้นน้อยลงน้อยลงชมพูรู้สึกไหมใจดิ้นน้อยลงเรื่อยๆพอใจหยุดดิ้นนะใจหยุดดิ้นปั๊บตรงไป น, นะอริยามรรคจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าใจเลิกปรุงแต่งใจเราเลิกจิตใจเลิกปรุงแต่งจิตใจเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานเห็นนิพพานครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันนั้นอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจมากเข้ า, ม า, ขามากเข้านะจนเขาเลิกปรุงแต่งของเขาเองไม่ใช่บังคับเขา พยายามบังคับไม่ให้เขาปรุงแต่งนั่นแหละกาลังปรุงแต่งการบังคับอยู่งั้นต้องรู้ความจริงจนเขาเลิกปรุงแต่งของเขาเองเขาเลิกปรุงแต่งแล้วก็เราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเห็นในฉับพลันเห็นในฉับพลันเวลาเราสะสมสติสมาธิปัญญาณั่นกันนานทําแรมเดือนแรมปีเวลาตัดสินความรู้ในชั่วฟ้าแลบตอนชั่วขณะเดียวขณะเดียววาบเดียวขาดสะบั้นเลย เหมือนอย่างเราตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะเราฟันแล้วฟันอีกฟันแล้วฟันอีกฟันไปเรื่อยๆนะนาทีสุดท้ายที่ต้นไม้จะล้มฟันชับเดียวขาดเลยล้มไปละเวลาที่มรรคผลจะเกิดเกิดชั่วขณะจิตสั้นๆชั่วขณะเดียวงั้นการปฏิบัติธรรมหนึ่งขณะจิตนี่เรื่องสําคัญมากนะปัจจุบันนะขณะจิตเดียวปัจจุบันไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่ง คำ ว, ว่าปัจจุบันก็คือขณดจิตต่อหน้านั่นเองเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปอนาะคต ร, รู้ลงปัจจุบันไปถึงวันหนึ่งเขารู้แจง้งเขาวางปับ๊บก็เข้าถึงธรรมปั๊บเลยต้องทนอนาะจารย์ตู่อย่าถอยนะถอยแล้วถอยยาวนะเราต้องเข้มแข็งต้องพึ่งตัวเองให้ได้ อาวันนี้สมควรแก่เวลา